ในก็ระทำใหม่สมัยก่อนนี้พ่อเมียจะอยู่ร่วมกันไม่ค่อยได้จากกันสมัยก่อนนะในสมัยนี้ก็มันก็เรียกว่าเหตุการณ์บังคับเรื่องอะไรเรื่องทองต้องมาก่อนเป็นงั้นแล้วในวันนั้นแต่ก่อนแต่ก่อนกพ่ออยู่พ่ออะไรก็อยู่ไปได้พราะเด็กก็ไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยกันอยู่พ่อเมียก็อยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกก็อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวที่อบูน พ่อแม่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกลูกก็เอาข้อวัดที่พ่อแม่ได้ไประพืชปฏิบัตินั้นมาใช้สอนสอนก่อนสอนด้วยการดูคือปฏิบัติด้วยนี่สมัยก่อนที่พ่อแม่เคยสอนลุงปู่พ่อแม่ไม่ค่อยหนีจากกันนี่เด็กกันไปก็ไปไปค้าขายไม่กี่วันก็กลับมาพ่อเป็นพ่อพ่อค้าวัวเป็นนายห้อยพ่อค้าวัวเอาวัวมาเป็นร้อยรอยตัวนั่นสมัยก่อน ทังปูก็เลยอยู่กับแม่อยู่กับพี่พี่ก็ไม่ได้ไปไหนเป็นพี่เป็นสาวพี่สาว พ, พี่สาวก็ไปทำงานที่กรุงเทพสมัยนั้นเงินเดือนเท่าไหร่ห้าสิบาทยี่สิบบา ท, ทพี่สาวไปเป็นแม่บ้านคนใช้อยู่ที่กรุงเทพที่บางกอกพี่สาวทั้งสองนั่นแหละตาตาก็จ้างเงินเดือนเดือนละยี่สบาท นันะั่นสมัยก่อนนี่ยี่สิบาทนี่ธรรมาดานนะยลูกี่สิบบาทนี่หนักนะเพราะเงินสลิงหนึ่งนี้ใช้ก็ว่าเงินสลิงหนึ่งนี้พอเลยในการอยู่ในครอบครัวนั้นในสมัยก่อนนั่ผมพูดถึงบ้านหลวงปู่นะนี่เราก็ยังยังวิจารณาไปกลับไปก็ห้าสิบปีเองนะลูกห้าสิบปีห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองปีนี้ปีนี้ห้าสิบสองวันที่สิบเก้ามีทุน า, นายนก็ห้าสิบสอง ยังไม่ได้เตรียมตัวเลยนะยังไม่ได้เตรียมตัวยังไม่ได้คุยครับเรารู้สิลูกค้าว่าเราจะทํำยังไงที่จะค่อยหรือจะเอาอยัางไงก็จะต้อนรับค่อยต้อนรับหมู่คณะที่เป็นญาติธรรมที่จะมาบ้านนั้นบ้างบ้านนี้บ้างเขาต้องพร้อมแล้วเราจะจะทําอะไรเพิ่ไมไหมหรือจะทําอย่างไงจะเอาปฏิปทาของหลวงปู่หลวง อีกไหมพิมต่อกันไปไมหออไไมห ร, รือยัอาาออยงไงก็ยังไม่ได้คุยกันภาพพอชอจะเอาตัวไหนเอายังไงจะเอาภาพเก่าหรือยังไงยังไม่ได้คุยกันพอเดือนชุกๆก็ครู ก, ก็จะเปิดเทอมแล้วก็โอกาสก็มีน้อยมีวันเทวนาทิดแต่นี้ก็ต้องคุยกันก่อนก่อนที่จะเปิดเติมพเพราะเหลือเวลาอีกไม่นานนะลูกเดือนเดียว น, นี่นะ่ะเดือนเดียว น, นี้เราเราเราป้าอนไปก่อนเผื่อหมูเขาหน้ามา <c oughs> มันจะง่ายขึ้นคิดว่าหมู่คณะจะมามาก็คงไม่มากกบอกเขาอย่าให้มามา ก, กนะมันจะลําบากมาพอพอเราดูแลกันได้เช่นก้อนสวรรค์ก็มาจะคันท้องคันนี้ก็พอแล้วนะอย่าให้มามา ก, กนะหรืงไงหรือผู้ที่ยังไม่มากผู้ที่ยังไม่เห็นเราวนั้นก็อยากจะมาก็ทานก็ไม่ได้นะนะถ้าอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร500่ห้าร้อยกว่ากิโล ยงไม่ได้ยังไม่ได้เอ้ยคุยกับลูกศิษย์ลูกหาผู้มีส่วนและพู้ชอบาะไรทำยังไงยังไม่ได้คุยทั้นั้นพอต่ า, างไปก็ต่ า, างจึงขับมารวมกันไปงานมาก็ได้พักก่อนแต่นี้ก็เข้าเดือนพฤษภาอานนี้วันที่หกงานครบรอบใกล้วันเกิดหลวงปู่พอสิบเก้ามิถุนาสิบเก้ามิถุ น, นา เรื่องของต่างๆเราจะทำยังไงเราจะไปสั่งตู้มาหรือเราจะคอยให้ทำอะไรสักอย่างหรื อ, อยังไงเราก็ยังไม่ได้คุยกันก็ต่างไปก็ต่างมาแลวก็เป็นทำงานตามหน้าที่ของใครขอมันก็เลยไม่ได้คุยกันไม่ได้รวมไม่ไม่ได้รวมกันนี่จะเปิดเทอมแล้วก็จะยากขึ้นนะลูกเปิดเทอมแล้วยิ่งเปิดเทอมใหม่ก็จะ ยากขึ้นอดีนี้เดีเวลาอีกไม่กี่วันที่สิบสองก็จะเปิดเตอมมาหนึ่งผู้ไปขอนที่สิบสองเนี๋ยไม่กี่วันเราคุยกัน่อนเราจะเอายังไงไงก็ต้องก็ต้องพร้อมใจกันนั่นแหละจะเอาอยัางไอองไจะเอาอะไรเป็นตัวออกไปจะเอาภาพช่วงไหนที่ของลงผู้หรือเอาภาพเป่าก็แล้วแต่ลูกเต้านะที่จะเอาอะไรในช่วงงานใกล้วันเกิดเพื่อให้หมู่คณะผู้ที่ อยู่ทางไกลเขาได้ได้รับสิ่งนี้ด้วยส่วนมากลงกุงผู้แม่ไม่เคยอนุญาตภาพจําเป็นเราต้องทำภาพเพื่อคอยให้เขาเล่าลูกศิษย์ที่มาจากที่อื่นเพราะลุงผู่ไม่อนุญาตภาพเลย น, นันครสวรรค์ไม่เคยได้ภาพลุงลุงผู้เลยแม่ถ่ายก็ไม่ติดแอบถ่ายหลายคนอยู่ทำไม่ติดตวันนั้นที่ไปนี่เขาต้องการวกบางแปลก็ต่างต้องการแล้วก็ให้ให้ให้ให ในนี้ถ้าเราจะทำภาพขึ้นเพื่อกรองรับหมู่คณะที่มาจากนครสวรรค์หรือจากที่อื่นก็สมควรอยู่หลวงพูดว่าเพราะหลวงปู่ไม่เคยอนุ ญ, ญาตภาพเขาเลยที่หนัรุกิจที่ที่อยู่ร่วมกันนั้นอันจะอ้อตั้งอะไรไม่เคยเลยไม่แต่เสียงก็ก็ห้ามบันทึกก็ เ, เห็นป้ายนั้นยังติดไว้อยู่ไงที่ต้นไม้ต้นนั้น อีก่ยอยจะเอายังไงก็ต้องคุยกันนุกงตาประชุมกันดูดปฏิบัติร้องปู้ปีนี้ให้แม่สนเป็นผู้อ่านดีกว่าเขียนขึ้นมาเป็นสคริปต์แล้วก็ให้แม่สนอ่านหรือไกลก็ได้เราอ่านปีนั้นรู้สึกว่ามันไม่ข้าทา่าเท่าไหร่ปีที่แล้วนะเพราะผู้ที่ไม่ได้อยู่ร่วมกับเรานี้ความกระตือรือร้นหรือกําลังแห่งการอ่านมันไม่เข้าไม่มีรถมีชา้าเพราะเขาก็ไม่ทราบ เราเราก็ไม่จ้าบเขาเขาก็ดีอยู่หรอกเขาก็ขรวนเพิก็ไอ้ดีอยู่แต่เพิ่นไม่เคยมาอยู่กับเราไม่รู้ว่าเราอยู่ยังไงพออ่านไปก็เหมือนกับอ่านหนังสือธรรมดาธรรมดาก็เชื่ออยู่มันมีความรู้สึกว่ากินในจิตในใจของผู้ที่อ่านแต่เราอยู่ร่วมกันนี่แหละขอให้ลูปเอาผู้ที่อยู่ร่วมกันในใครก็ได้แล้อ่านแล้วมันจะรู้สึกว่ามัน มีรสมีชาติขึ้นกินในจิตกินใจผู้อ่านแล้วก็กินจิตกินใจของพวกเราทุกคนที่อยู่ร่วมกันผู้ที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดกอตัวนี้ด้วยปีที่แล้วรู้สึกว่ามันไม่มีรสชาติเท่าไหร่เราบันทึกว่าอยู่ไปเวลามาเปิดฟังแล้วมันไม่ค่อยมีรสชาติที่ครูเพื่อนอ่านเนี่ยนะปีนี้ให้คนพวกเราอ่านไอคูสนลึกข้ก็ได้คือดูกันว่าใครจะเป็นผู้ที่อ่านปฏิปทาลุงู้ ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มได้จริงๆจนอกอกประชาแล้วก็จนถึงที่สุดแห่งกรรในการค้นวิชาลงที่เพนสิบห้าค่ำที่ปศรต้องวันห้ร้อสี่ิบห้าจนทุกจุดทุกอย่างเกินแปรสภาพอย่างชัดเจนเป็นที่ตายใจของเราคุอทุกห้าเราให้เต็มที่มันถึงการเวลาหลูกหลวงปูก็ไม่อยู่กับพวกเรานั้นหรอกตามกันเวลานั่นน่นแต่ถ้พูดถึงว่าการที่จะ ลังขันเราก็ลังได้ตามการเวลาจะให้หลวงปู่ลังเลยเวลาต่อไปก็คงจะเป็นสิ่งที่ลําบากอยู่เรนอกจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่อยู่ผู้เรียกว่าผู้ที่เป็นผู้ที่เขาเรียกว่าปกครองประเทศอยู่ขอก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีหน้าที่ที่ปกครองประเทศขอก็เป็นไปตามนั้นขอให้ลูกคุณเข้าใจนะ อันอยู่กับพวกเราไม่กี่ปีเราก็จะอยู่กับหลวงปู่กี่ปีก็ต่ า, างหลวงก็ต่างแค่แล้วที่สุดก็คือความตใจตอนนั้นถูกเต่าที่จะมาถึงพวกเราทุกคนแต่ในช่วงที่พวกเราอยู่สมควรยิ่งที่พวกเราจะทําอะไรที่ดีดที่สุดเพื่อตัวเองแล้วเพื่อพวกป้องเพื่อหมู่เพือกันนะเพื่อพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองไม่มมว่าจะเป็นมนุษย์เป็นวิญญาณเป็นเทวดาเทวดาก็ต้องเป็นลักษณะเดียวกันเพราะเป็นอวัยวะเดียวกัน ผู้ที่มาอยู่กับหลวงปู่ถือว่าเป็นลูกของหลวงปู่ทั้งหมดหลวงปู่ถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของพวกเราทั้งหมดทั้งกายอยากกายละเอียดทำทำเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากผู้ที่มีธรรมกองใจนี่หาได้ยากมากที่สุดผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตรงต่อพวันิพ้านก็หายากมากที่สุดในผู้ที่สิ้นลาศวานี่หายากมากที่สุดหนึ่งในล้านลูกอยากคิดลูกอยากคิดว่าหนึ่งในล้าน ไม่มีหนึ่งในร้อยรอยล้านพันล้านก็ยังหายากอยู่ผู้ที่สิ้นอาว่าเพียงคนหนึ่งเราจะนับดูเมื่อปีพศส อ, องพันห้าร้อยสีสิบเก้าปีพศส อ, องพันห้าร้อยสสิบเก้านับประชากรในโลกมนุษย์มีเท่าไหร่มีพระรหันอยู่เพียงห้าหกลูกลูกี่นาวแล้วเดี๋ยวนี้หละมีมีกี่องแหนี้พวกกายทิยงังยังไม่ได้มาบอกเราว่าเหลืออยู่กี่อง นี่ป่านไปแล้วก็มีผ่านไปสองสามบ่มเป็นไงนี่นจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกภรกายทิพย์ยังไม่ได้รายงานเราอีกว่ามีพระสุปฏิพโนผู้ที่สิ้นอักรวะผู้ที่ยังหลงเหลืออยู่ในโลกมนุษย์นะไม่ใช่ว่าในประเทศหรือนอกประเทศหืออะไรนี่พูดถึงในโลกมนุษย์แต่ก็อาจจะจัใ์ในรูปเก้ามีแต่ในประเทศไทยเท่านั้นห้ารูปปีสี่เก้า สี่สิบแปดสี่เก้านี่มีอยู่ห้าลูเกเอกเราหลวงพิจารณาดูแล้วก็ในช่วงนี้นะลูกเมื่อองค์ลุงตาเข้าถึงเมืองพระนิพพานนะจะเดือกี่ลูกนี่เอาพิจารณาตัวนั้นให้เป็นที่แน่ใจใจใจของพวกเราแล้วคือคื อ, คอลวงปู่ลวงปู่พูดลวงปู่พูดถึงว่านี่นหนึ่งในล้านันไม่ได้นะลูกคนประชากรของของโลกมีเท่าไหร่ที่เป็นมนุษย์นับทั้งศาสนาอื่นด้วยนะลูก นั่นแหลแล้วมารวมกันว่าจะมีมีเท่าไหร่พระผู้ชินอรชาวะยิ่งเป็นสิ่งที่หายากมากที่สุดเลยยิ่งปัจจุบันนี้แล้วครูบาอาจารย์ที่จะประพฤติปฏิบตัติตนตรงต่อประนิพพานนี้เป็นสิ่งที่หายากมากมากที่สุดลูกงมเข็มในท้องมหาสมุทยังง่ายกว่าพอที่จะเจอเข็มอยู่แต่การที่จะงมดูพ ร, พระผู้ประพฤติปฏิบัติปฏิบัติชอบผู้หวังมักผลพระนิพพานอยู่คือใจที่จ้องพระนิพพานอยู่นั้นเป็นสิ่งที่หายากมาก ่ไม่งั้นสิ่งต่างๆของหลวงปู่ไม่แปรสภาพอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์สี่ปีกว่าลูกลองนับดูนะที่โยมนาลีเก็บรักษาเกศาหลวงปู่ไว้ปีพศส อ, องพันห้าอยสสบแปดก่อนหลวงปู่ที่จะนี้ในช่วงท้ายออกพรรษาเดือนตุลาออกพรรษาปุ้ปั๊บอยู่วันหนึ่งตํ เขาวีไงแล้วก็นนหนีญาติโยมนับจากนั้นหกเดือนมันก็ตกปีสี่เก้าปีสี่เก้าหกเดือนเขาก็เปิดดูเปิดดูเกษาหลวงปู่พอเปิดดูเกษาหลวงปู่แล้วกระเดกกระเด็นออกหมดกระโดดหนีหมดก็เลยเก็บรวบรวมเศษาแล้วเอาไปถวายท่าน อ, อาจารย์ปินิดลูกก็ต้องพิจารณาดูจากปีสี่เก้า เลยไปถึงปีปศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าเป็นสิบห้าค่ำเดือนสิบที่ลวงปู่บรรลุธทำหล ก, ก้าพูดเต็มเม็เต็มหน่วยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างแปรแต่เปลาอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เพียงสี่ีกว่านี่มีอะไรที่ที่มันคล้องขัดมีอะไรที่มันขาดข้องหรือนั่นนี่เราสอนโลกสอนสงสารนี้เราสอนด้วยความเมตตาหรือเราสอนด้วยกิเลสนะจันห า, นายาบลูกพี่หนาวเทวาดาในเมืองลกทกทาชัยกกจกวาน แต่ต้องสันรเสรนชา้าตุกการและอธิษฐานจิตไว้จึงได้ลวดเดียวขนาดนี้ที่หลวงปู่ยังทรงท้าทรงถันของคาดของถานอยู่ยังไม่ตายสิ่งที่แปลจะภาพอย่างโจ่งแจ้งนั้นแหละเป็นหลักประกันเป็นสักขีพยานให้กหลวงปู่ว่าทำที่หลวงปู่แสดงนั้นเป็นของแท้มิไจของเทียบหลวงปู่แนนถุพโธเพืนพ่นก็เสียก่อนแล้วก็เป็นพระธาตุภายหลัง องลงตานี่เป็นขวานอยู่ปีพศ2116แต่ที่บรรลุธรรมกี่ปีปีพศ2000เทา 2, ่าไหร่ที่องค์ลงตาเพื่อบรรลุธรรมที่ที่เพาลงปู่มั่นปีพศ2116เพื่อนก็แปดสฉพาพที่เป็นยังางกองท่ากองขันอยู่นี่ลงปู่พูดในปันพูดเพื่อต้องการความแน่นอนแน่ใจใจใ จ, ใจของเหล่าลูกศิษย์ลูกหาที่มีต่อองค์ลงปู่ หลวงปู่ไม่ต้องการเห็นพวกเราเพ่จากลักทำหนังวิ น, นัยเพ่จากคุณาความดีที่หลวงปู่สอนพวกเราตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงบัน้นปลายเหตุนี้ก็สอนพวกเราตามความจำวิ น, นัยสอนแบบแน่ใจตายใจด้วยไม่งั้นเเกสาหลวงปู่ไม่แปล จ, า, จากภาพอย่างรวดเร็วขนาดนี้ ว, วายจาันที่ใกล้ที่ไกลก็ต้องมีที่เรียนเราหาเรื่องหาเราใส่เราว่าเราเป็นสิ่งที่แปลกบอมไม่ใช่ของแท้ ติดทางแล้วนอกตรมนอกวินัยนอกรูนอกทา ง, ทางคำนี้เป็นคำของครูบาอาจารย์ผู้เป็นติดายนั้นสายนี้ที่กระแทกเราตลอดตลอดเราก็พาหลอกลูกศิลลูกพาสู้สู้ด้วยเอาความจากความจริงสู้ที่เรียกว่าสู้ตามสัจธรรมนั่นตั้งแต่ปีพศ2545เพน15ค่ำเดือน10บุญเข้ากยาจาก่อเอาพระช้าหนึ่งเดือน ในวันปีนั้นวันนั้นเราคุณวิชาทำลายภพทำลายชาติชาติลงอย่างทิ้นเชิงปิดชวิตภพชาติไม่เหลือเชือ้อในการที่จะเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วแต่ขันล้วนๆจิตล้วนๆที่คงสภาพอยู่แบบนั้นตามธรรมชาติหรือธรรมชาติแห่งขันธรรมชาติแห่งจิตนี่ทำเช่นนั้นในยอดไลน์มาแสดงให้หมู่คณะผู้ที่มีกี่เหรียญนะทหาญใหญ่ เข้าใจนะเรื่องเรื่องทางขนาดนั้นบวชมีกี่บวชกี่พันศาร้อยพันศาล้านพันศาก็ต่างแตา่าบารมีสร้างมาไม่ถึงมันก็ไม่สามารถชาติไปว่าสิ่งที่ลุงปู่แสดงนี้เป็นสัจธรรมเป็นควา ม, วามจริงเราจิตใจนั่นใจนี้มาต่อว่าต่อการเรามันจะพากันลุงหาเวจีนันล่ลูกพวกเราสู้กับลงุงปู่สู้โผเป็นโสดตายกันมาจนเป็นผึกแผ่นแน่นหนาะห้าปีเต็มจ้างข้อปีที่หกที่เราสู้ร่วมกัน ต่างไปาจากไม่ยอ่อดโตในคํำจาบช่วงของกูบาอาจารย์ที่ประทุศรายลงผู่ของหมู่ของคณะหรือของบาสกอุบาจิการที่ประทุศรายลงผู่แล้วทุศรายพวกเรากรมเกี่ยวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาตลอดตลอดคนสุดท้ายสิ่งที่พวกเราที่คิดว่าแน่ใจอยู่แต่ยังไม่ตายใจนั้นก็เกิดขึ้นเมื่อเกศาลงผูกได้แปลจ่อภาพอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ ดูคนแน่ใจตายใจไม่สงสัยที่ได้กล่าวไดปไว่าที่ได้โซ่เป็นโส่ตายหลว ง, งโองหลวงปู่ว่าหลวงปู่นั้นมีแต่ความบริสุทธิ์ให้พวกเราถ้าพูดถึงตามธรรมก็ที่องค์หลวงตาเจตนั่นแหมีแต่ขันล้ว น, วนจิตล้ว น, วนพอเจื้อพบเจื้อชาติไม่มีอยู่ก็อยู่อยู่กับลูกกับเจ้าไปอยู่ไปแค่นั้นอยู่คือไม่เอออาะไรรค ย, ยู่เพื่อจงก็จงหาโลก ไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองอยู่เพื่อพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในใจกองสันต์โลกต่อไปไม่ได้ทําไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองทําอยู่เพื่อลกูกพระทงสารนี่แค่นั้นตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าเป็นเดือนสิบก่อนอุปวิชาหนึ่งเดือนเราโค่นในวิชาลงพบชาติชิ่นนานแล้วจน ถ, ถึงปีพศสอง 57, พยยนันห้าร้อยหสบเจ็ดดูพิจารณาเอากี่ปีสิบกว่าปีนั่น แล้วก็คล้องบริสุทธิ์มานานแล้วการที่เราพูดเราก็พูดด้วยความถ่อความจริงที่เราพูดให้หมู่ให้คณนะให้ลูกให้เต่าได้ทราบถึงเหตุผลที่เราอยู่ถึงเหตุผลที่เราสู้เพื่อใครครูบาอาจารย์จะมีมีอยู่กี่องค์ไม่เคยว่าจะมีครูบาอาจารย์นั้นเพิ่นจะมาพูดว่าสิ่งที่เราแสดงนั้นถูกต้องเห็นแต่ท่านพระครูจักรลัก์ุญจงองเดียวเท่านั้นอนจะพูดถึงผู้ที่ เข้าใจอุติเคอรบศรัทธาเรามากในแต่เราไปการนี้พยายามที่จะที่จะพูดพูดตามภาษาบ้านเราเลยไม่อยากจะให้กาดไปเรียกทำเพราะกลัวว่าจะเป็นบาปเป็นครรมในความรู้สึกของเพื่นเอาอะไรนั่งก็ไม่ยอมผมนั่งพร้อมล้มลงนั่งที่ตาพี่เดียวกันทางที่ภาษาเพื่นมากกว่าเรามากนั่นแล้วก็พูดถึงตามธรรมตามวินัยแล้วก็พูดตามธรรมตามวินัย าผู้ที่เพียงพอแล้วนี่จะไม่ได้เป็สนสุขสันตก็ใครเวลาที่ลงขูกค้นในวิชาลงเป็นสิบห้าก้ามเดือนสิบเรียบร้อยการที่แสวงหาเพื่อตัวเองก็ไม่มีหลบซ่อนอยู่เพื่อต้องการหลบภูมิชนต้องการหลบหมู่ต้องการหลบปะนะัะหะเพราะมันไม่เอาเอาอะไรก็ใครจิตมันจะสลดหลดหูกรมดามจังเวทอยู่ตลอดอยู่นานอยู่ ว่าที่จะกลับเคพื่อมขึ้นมาเมื่อปีปอช .2549 ที่หมู่คณะไปพบหลวงปู่อยู่ที่วัดของท่านพระอ า, าจารย์จรัญสิ์หลวงปู่สิมพุทธาจโรที่พาพวกเราไปทุกอย่างที่มันเขาเรียกว่าพักอยู่สงบเงียบนิ่งอยู่กับโพึ้นมาใหม่ด้ยวยความเมตตาหมู่คณะเพราะหมู่คณะต้องการทราบเรื่องอะไเรื่องทำคุยกันเรื่องภาคปฏิบัติ เข้าใจจนน้ำตาร่วงเราพิจารณาเรื่องอะรเรื่องธมที่เราคองความบริสุทธิ์มาตั้งแต่ปี49ตั้งแต่ปี45จนถึงปี49นี่เราว่าธรรมนี้จะมีประโยชน์กับหมู่กับคณะอยู่เพราะการกระตือรือร้นของหมู่คณะที่ต้องการให้หลวงปู่บันทึก ปฏิบัติพาหลวงปูป่ให้เขาเพื่อเขาอยากอยากได้ไปฟังไปพื้นปฏิบัติจำนะั้นในมีครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์เป็นผ่านไปผ่านมาที่มีปัญญามากขอคุยขอพูดกับหลวงปู่ในสิ่งที่หลวงปู่รู้เห็นเพราะมีหมู่คณนะพูดต่อกันไปพูดต่อกันไปเราพิจารณาธรรมเราก็เลยว่าธรรมที่เราได้รู้ได้เห็นนั้นคงจะมีประโยชน์อยู่บ้างกับหมู่กับคณะ กับพุทธมามากะไม่ว่าเป็นพระเจนเนนชีวาสุปชิกะคงมีประโยชน์อยู่เพราะไม่งั้นคงไม่กระตือรือร้นขนาดนี้เพราะก่อนที่จะแสดงธรรมก่อนที่คนจะทราบเรากติหลังนั้นที่โดนไหมไปนั้นที่พาพวกเราก็าไปเหลือแต่สรางแล้วก็เหลือแต่ที่ตรงที่ปลูกต้นเสาต้นอะไรก็ไหมไปหมดกิลงมปูจปําปรญหา กุฏิหลังนั้นลุงปู่ไม่ได้ไปอยู่ครั้งแรกไปอยู่กุฏิหลังใหม่ก่อนได้ท้องสามบันก็เลยไปกุฏิหลังนั้นเพราะมันห่างไกลจากผุ่ชนพอไปแล้วเรื่องของเรื่องมันนี่มิเห็นองค์ลงตามหาบัวเข้ามาหาทั้งที่ทุกครั้งองค์ลงตามหาบัวพึ่งจะมาบอกเรื่องอะเรื่องธรรมแต่วันนั้นที่ทําเงานนะั้ก่อนที่จะไปจําพรรษาก่อนที่จะ แต่ดจินใจอยู่กุฏิหลังนั้นที่อยู่ไกลจากหมู่จากคณะในสมัยนั้นเพราะมีกุฏิหลังเดียวที่โดดเด่นอยู่ที่นั่นองค์หลวงตามหาบวัวพ้นเข้านิมิตต้องการให้หลวงปู่สแสดงธรรมให้เพ้นฟังเราไม่ได้สงใจหลอกกันว่าน้อยเอ้ยหลวงตาไม่ได้สงใจน้อยหรอกแต่ว่าหลวงตาอยากฟังปฏิปทาข้อบัญญปฏิบัติของน้อยที่ผาดผลไหนลองเล่าสู่หลวงตาฟังบ้างที นี่เป็นจุดเริ่มต้นในนิมิตนั้นส่งผลถึงการที่จะได้แสดงทํามให้หมู่ให้คณะให้พวกพ้องได้รู้ได้เห็นได้ทราบในปฏิปทาจนถึงขั้นปิดวิตพบชาติลงเราวิจารณาการิมิตนั้นเราก็เลยไปยกุติลำนั้นนั่นแล้วครั้งแรกที่เราเจอหมู่เจอคณะกับท่านยอด ท่านสมัยที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ใหญ่ของพวกเราคือหลวงปู่เทเสตหลังศรีพอท่านสมัยท่านเห็นเราตอนนั้นเองท่านว่าท่านมีความรู้สึกถูกต้องจะตากันขอฟังธรรมท่านทัน้งที่ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันมาก่อขอฟังธรรมเป็นยังไงท่านอยู่ป่าอยู่เขาได้ยินว่าอยู่ป่าอยู่เขาองค์เดียวมา ขอฟังจำรรหน่อยที่พอมีผู้ขอฟังจำรรเท่านั้นนั่นแหละนิมิต ท, ที่เห็นองค์ลุงตาขอให้เราแสดงธรรมมันก็พางครั้งแรกทำบอกครั้งแรกท่านสมัยท่านยอดเกิดปีติคน้นฟองสยองเก้าน้ำตาร่วงมื่อฟังเทศเรานี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นเป็นชนวนบอ่อกให้ก็ให้องค์ลุงปู่นั้นต้องแสดงธรรมอยู่ที่นั้น บ่งบอกอย่างชัดแจ้งอย่างชัดเจนเลยแถวนั้นก็มีหม่งมีมีคณะไลหล่เขาไปไเรื่อยๆไลหล่เขาไปไเรื่อยๆแล้วมาพิจารณาธรรมที่เรารู้เราเห็นปีที่เก้าเป็นปีที่เรารู้ทราบล่วงหน้าว่าเราจะเสียปีนี้ต้าเราเสียนั้นดีกว่าธรรมที่เลื่เลยนั้นที่จะไปกับเราโดยที่ไม่มีผู้ที่รับเชื่อไว้สิ่งที่เลื่เลยนี้น่าจะอยู่กู้พุทธศาสนาต่อไป ก็เลยตัดสินใจเพื่อหมู่เพื่อกันนะอนุญาตเสียงให้กับท่านมหาเล็กท่านมหามนัสและก็พระอีกสองรูปถ้าพวกเราได้ยินได้ฟังจะมีเสียงของท่านมหาเล็กกับมหามนัสคอยสอดถามเราเรื่อยๆอเรื่อยๆกับพระอีกองหนึ่งที่เป็นพระทางสีตาท่านบวชใหม่ได้เพียงพรรษากว่า น, นี้ละ ท่านอุตส่าห์ดันดุลไปกราบเราทั้งสองครั้งสองคราวก่อนเข้าพรรษาหนึ่งวันก็อุตส่าห์ไปกราบเพื่อเป็นจิริมงคลและกราบเจกาจากนั้นเราก็ไม่ติดต่อกับใครจนถึงปัจจุบันเราอนุญาตเฉียงอนุญาตปฏิบัตปทาอนุญาตภาพที่ตั้มเงาเพราะเราทราบว่าเราจะเสียแน่นอนเราไม่สงสัยแต่ผลสุดท้ายเราก็ยังอยู่อะไรเป็นตัวเสียอะไรเป็นตัวตายรู้ทราบดีนี่แหละีบพรยสี่บเก้า เราทราบตั้งแต่ที่เราจำปรรษาอยู่ที่ภัยศาลปีว่าอีกห้าปีเราเสียนับมันตกลงปีพศจังหวัดร้อยสีสบเก้าปีพศจังห้อยสีสิบห้าเราก็เลยเอาใหญ่จากปีพศสอ 44, งพันห้าร้อยสี่สิบสี่เราจาปรรษาอยู่ที่ภัยศาลสี่สิบห้าก็ไปจำพรรษาอยู่ที่พวกกับพวกเราที่หนองนาแสง จนเพนจิภาคค่ำนั่นแหละเราจึงโคนวิชาลงพบชาติหลวงปู่สิ้นมานานแล้วหรือหรือจึงสิ่งที่แปลกปอลอมหรืถ้าพูดเรื่องอัดเรื่องธรรมครูบาอาจารย์ทําไมจึงพากันประนามเราตอว่าเราผิดทางผิดธรรมผิดวินยัยขอพูดเรื่องมรรคผลพนิพพานนี่หลือที่ว่าผิดธรรมผิดวินยัยถ้าพูดเรื่องกอ่อ ส, สร้างสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างพระพุทธรูปนั่นหรือถูกธรรมถูกวินยัย กูก็อยากทราบในใจของครูบาอาจารย์นี่แหละเมื่อถึงตัวอย่างส่งผลอย่างนี้ลูกก็ไม่ต้องสงสัยคำขคละหาต่างๆสำหรับครูบาอาจารย์พร้อมทั้งหลออรู้จิตลูกคานั่นแหละเป็นคำที่จะนําพาเขาลงมหาเวทีนลัลูกหลวงปู่บริสุทธิ์นานแล้วด้วยประทุสน์ลายผู้ที่ไม่ปทุศลายกาถึงหลวูกก่จะเป็นพระที่ อยู่ป่าอยู่เขามาก็ต่างแต่จริงที่ลวงปู่คลองมานั้นมันเป็นความบริสุทธิธ์เพราะไม่ต้องการวุ่นวายกับหมู่กับคนณะกับบุบาทุกปฏิกาพอเราเจตนาว่าเมื่อเราเพียงพอแล้วเราจะขอตายตามป่าเขาแล้วนองไปองค์เดียวไม่มีใครทราบว่าเราถึงทำชั้นไหนเพราะการเจตนาบวชเราเจตนาสิ่งเดียวคืออรหันต์เมื่อเราสิ้นพบสิ้นชาติแล้วเราขอตายตามป่าเขาแล้วนองไปองค์เดียว ชื่อเราขอให้มันดับไปจากหมู่บ้านนี้จากตำบล น, นั้นหรือจากหมู่จากขณะจะไม่มีชื่อนี้อีกถึงพวกกายพีบจะเปลี่ยนชื่อแจ้ลงปู่ใหม่ก็ตามแต่ว่าชื่อนี้มันกย็ยังอยู่เท่าเขาเราก็เลยตัดสินใจที่จะตายตามป่าตามเขาลาเนาไปของเราองค์เดียวที่เราเจตนาไว้เมื่อเราเพียงพอแล้วแต่ผลสุดท้ายด้วยบุพกรรมที่มีกับพวกเรามื่อเส่งผลนี้ ไปไม่รอดปุกไก่ที่ก็พยายามหาวิธีการที่จะทำให้อุลงังกุออกมาจากป่ากและหาวิธีการที่จะให้อุงังกุอยู่ไม่ให้อุงังกุสัญจรต่อไปคนสุดท้ายลงุงกุก็อยู่ที่นี่อยู่จะว่าอยู่ด้วยเจตนาอยู่ไม่มีอยู่ด้วยความพร้อมตั้งใจอยู่ก็ไม่มีถ้าว่าอยู่ตามกรรมถูกต้องที่สุดอยู่ตามกรรมทุกเหตุมันเกิดขึ้น เต่ละทิ้งหน้าที่ไปก็เกิดสงสารเมตตาสงสารพวกเราถูกต้องอยู่ใจไม่มีการยึดมั่นถือมั่นแต่ความเมตตาในธรรมมีอยู่เมตตาในสมมุติมุดโลกมีสมมุติโลกยังมีอยู่ก็ต้องใช้สมมุติโลกในการสอนในการอยู่เพราะธาตุขันยังไม่แตกสลายถึงลวงกูจะไม่มีเชื้อพบเชื้อชาติสิ้นพบสิ้นชาตินา น, านแล้วก็ตาแต่ว่าขันยังอยู่ในลูกเท่า ถ้าพูดถึงการห่วงหาอะไรอาวรณ์มันก็มีตามธาตุขันในธรรมนั้นๆแต่ขาดการยึดมัน่นถือมันแค่นั้นเองจะให้หลวงปู่ไปยึดมัน่นถือมันกับพวกเราจะเป็นจะได้กับพวกเราไม่มีอยู่ก็สักจะว่าอยู่เมื่อถึงการเวลาเขาปล่อยผางเข้าสู่ปฏิป า, านแก่นั้นแต่ว่าห่วงห่วงสัตว์โลกห่วงอยู่ด้วยความเมตตากันว่าถือว่าเป็นญาติกันในไตรลพทัศน์นี่พูดถึงเมื่อจิตมันถึงขั้น ถึงที่สุดแห่งธรรมเป็นอย่างนั้นคำว่าพระอรหันต์ก็ทิ้งคําว่าปณิปานก็ทิ้งไปโน่นไปนี่ทิ้งหมดวางภาระทั้งหมดขาดการยึดมัน่นถือมั่นทั้งหมดเลยนี่คือถึงที่สุดแห่งธรร ม, ม, ม, มอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ตามธรรมตามวินัยเั้นเวลาที่หลวงปู่อธิษฐานจิตก็แลมหนึ่งค่ำปีพศสองพันห้า้อยสี่สิบแปดท่าทั้งจีของกัปปะเจ้า พวกกายทิพย์ในมือนโลกกับท่าแสงกรจักรวาลพึงทราบนี่เราตีฐานจิตเราจะเสียปีสี่เก้าพวกเธอในหมือนโลกกับทแสงกรจักรวาลพึงรับทราบขอให้ท่าทั้งสี่ของข้าพเจ้าผมขนเด็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับใจใช้พุงนำเลือดนำเหลืองอะไรของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอตีฐานจิตเพื่อสืบทอดพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปว่ามัก ผลพระนิพพานมีอยู่ไม่เลือกการและสถานเวลาเราที่ทานอย่างนั้นพอกายกจิตก็แจ้ทต้องการกรหมื่นโลกธาตุแจ้งกฎจักรวาลในความรู้สึกกระเทือนเดื่องด้านไปหมดแล้วเราก็ประกาศละขันในแรมหนึ่งพักปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดโลกธาตุวันไหวจากนั้นเราก็แน่ใจตาใจว่าปีสี่เก้าเหลืออีกไม่กี่เดือนเราก็จะถึงการอวสานแห่งธาตุขันของเรามาถึง เราจรึงตัดสินใจเข้าป่าแต่ด้วยบุพกรรมดีของสัตว์โลกที่เป็นเชื้อสายญาติของเราเราจรึงรอดมารอดมาเพียงสลบสลายไม่ถึงกับธาตุขันแตกกระไหลไปคนสุดท้ายนก็มีเหตุออกมาสู่โลกภายนอกยืนได้มาเป็นครูเป็นบาปของพวกเราอยู่ที่นี่ด้วยความบริสุทธิ์ที่เราคลองมานาน มันแปรย์แต่เพเป็นความเมตตาที่มีแต่ความบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นนี่ทำตัวนั้นทำชั่นนั้นไม่ใช่ว่าความเมตตาที่มีอะไรแอบแฝงเป็นความเมตตาที่มีแต่ความบริสุทธิ์เหลืออยู่อย่างเดียวเพราะเมื่อธาตุขันยังไม่แตกจะไหลมันจะอยู่อย่างนี้ไปดูดาว่าเก่าเราก็บุดดูด่าว่าเก่าด้วยความบริสุทธิ์สงก็สงหาโลกสงฆ์ก็สงหาโลกด้วยความบริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าอยากจะทําไม่ใช่ว่าต้องการสง็ทรงหาโลก ไม่ใช่ว่าต้องการเรียกวิญญาณหรืออะไรมาหลวงปู่ยอมรัศดภาพตามคําที่หลวงปู่สร้างมาแค่นั้นถ้าจะพูดถึงตามเรื่องธาตุเรื่องขันบางวันเราพืชพระอมเราเบื่อหน่ายเราไม่อยากจะเข้ามาวุ่นวายกับโลกกับตรงสารกับพวกจิตวิญญาณขอจิตวิญญาณหรือพวกนี่เขาอยู่ตามความแต่เขารู้ว่าเป็นอุพกรรมทั้งตัวเขาตัดสินใจสู้อยู่กับพวกเราจนถึงปัจจุบันพอทราบสมเหตุสมผล น, นั่นเลย งั้นถ้าใครจะปริทัศรายรลร่ผู่เขาจึงมีกำหนักส่งผลไม่ว่าพระเจรเนเนทีอุบาตุปปติพาเ ท, ทวุเทวดาพวกจิตวิญญาณก็ตามปาาริทัศน์ไร้เหล่าแม้แต่ความรู้สึกในคิดจึงมีกำหนักเพราะเรามีแต่ขันร้อนๆเราไม่มีเชื้อพบเจอชาติขอให้ลูกเต้าคุณเข้าใจอย่างนั้นเราจะสอนลูกสอนเต้าด้วยการดูดาว่ากล่าวหรือแล้กลัวลูกลูกเรานี้เป็นกรรมกับเรา ทิยาท่าทางของพวกเราควจะเป็นกรรมเป็นเชื้อกรรมที่ติดในจิตในใจต่อไปเป็นเชื้อพบเชื้อชาติต่อไปนี่กว่าที่ลงุงปู่จะได้มาเป็นครูเป็นบาปกว่าที่ลงุงปู่จะสามารถทําลายพบทําลายชาติลงได้ลงุงปู่ก็สร้างบารมีมิชชั่หนอยที่สร้างบารมีมาแในปัจจุบันนี้โศเป็นโศตายขนาดไหนไลูกก็สร้างปฏิปทาลงุงปู่นั่นชนิดที่บอกว่าทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งพ่อแม่ญาติโยมที่การใครทําได้มาลงุงปู่ พ่อก็ป่วยแม่ก็ป่วยเดินไม่ได้เป็นน้ำมาพาดพ่อเป็นน้ำมาพึกลูกต้องการเป็นพาาระหลานมีหรือในโลกเหนียวนี่มีหรือย่างนั้นหมู่คณะรับไม่ได้เพราะปฏิปทาอย่างนี้ไม่มีเนี่ครูบาอาจารย์ก็ว่าไม่ใช่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ถูกไม่ต้องแล้วทําไมจึงได้เห็นผลถึงขนาดนี้ถ้าว่าปฏิปทาหลวงปู่ผิดเพี้ยนจากธรรมอย่างวินยัยพุเจเจ้าออกบรรพชาเกาะหนีจากศีบัญญาหนีจากราชบุตร หนีจากพระราชวังหนีจากพ่อหนีจากแม่หนีตอกนกลางคืนเฉยๆจะไม่ให้ใครทราบเฉยซ้ําแล้วทาไมพระองค์จึงสําเร็จปักผลปณิปานตัศรุเป็นผู้เจเจ้าเป็นอรหันขึ้นมาในหลวงปู่เอาปฏิปทา น, นั้นมาใช้แล้วทาไมหลวงปู่ครูบาอาจารย์จึงว่าเราติดทางผิดธรรมผิดวิ น, นัยสมศราพวกในสมัยพุทธกาลบางองค์ก็ อ, อดข้าวยอมอดอาหารจนตายถ้าแม่ไม่ยอมไม่บวชบางองค์ก็หนี ออกบวชโดยที่พ่อแม่ไม่ทราบลูกเมียไม่ทราบเพื่อนก็สามารถสำเร็จมรรคผลพรนิพพานตามเจตนาของเพิน่นแล้วที่หลวงปู่ทาพิษทําผิดวิ น, นัยในใจของกรูบาอาจารย์นี่แหละที่เราไม่ลงกูลงบาเรื่องนี้เราทําที่ถูกต้องจำทำจำวินัยที่ถุกจนสามารถที่จะโค่นอวิชาทําลายพบทำลายชาติลงเมื่อเพ็ินสิบห้าค่ำเดือนสิบปีพศสองพิบ กลางพรรษาสี่แค่นั้นเองดูพิญ า, าวดิถ้าว่าเร็วก็เร็วลูเตเพราะโสดเป็นโสดตายนี่ใครจะตัดได้ถึงสลบสลายหนีจากพ่อจากแม่มาด้วยความเคารพด้วยถูด้วยความรักจะกินได้ที่ไหนคนสุดท้ายมันก็สลบี่นั่นปางตายอีกนับไม่ถ้วนด้วยความคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ใครจะอาจจะหานมันลงกูละ่ะมีใครกล้าทํา ลูกทำไมปัจจุบันก็เลยว่าเราผิดธรรมผิดวินยัยครูบาอาจารย์ก็เลยว่าเราผิดธรรมผิดวินยัยนี่ที่เราไม่ลงใจก็เรื่องนี้แหละสิ้งกิเลสหรื อ, อยังที่มาสอนเรานั่นสิ้งกิเลสหรื อ, อยังที่สอนอุบาสกอุบาสิกานำพาเราลดทิ้ลโกหาไปทางที่ถูกที่ต้องไหมเธอทิ้งกิเลสหรื อ, อยังถ้ายังไม่ทิ้งกิเลสนั่นยากมากเพราะพระพุทธเจ้าเข้าสูป่ปณิพานธ์แล้วถ้าพวกเธอไม่อยู่ในธรรมในวินัยจริงๆ ยากมากที่จะนําพาตัวเองและนำพาอุบาตุปธิกาเข้าสู่สุคติภูมิได้เพราะทําวินัยนั้นพวกเราเสื่อมจากธรรมวินยัยธรรมวินัยนั้นเป็นของแกเป็นตัวแทนของพระตถาคตเจ้าครูบาอาจารย์เสื่อมจากธรรมจากวินยัยทำไมจึงว่าเสื่อมจากธรรมจากวินยัยหลงในการก่อสร้างไม่มีเนธธรรมในวินัยที่ให้พระมากก่อสร้าง ถ้าทำอยู่ก็ทำพอที่จะกั้นแดดกั้นฝนกั้นลมแค่นั้นดิตามธรรมดำวิำนัยและพ้นข้อห้ามจุดราวานาเพื่อละกิเลสนี่คือธรรมคือวินัยแต่ที่ว่านี้สร้างโน่นโบสถ์ศาลาสร้างพระพุทธรูปสร้างอะไรแล้วมีที่ไหนเนี่ยทในวินัยแต่ถ้าหลวงปู่ไปจับจ้วงก็ว่าหลวงปู่ผิดทำผิดวินัยอีกนี่เราพูดให้ลูกศุษย์ลูกหาเราฟังถึงผลที่หลวงปู่ได้ดปฏิบัติมาขอให้ลูกเต้าเพินเข้าใจ งั้นเกจสานั้นหลวงปู่รับษาไว้อยู่เจสาที่แปรตสภาพแล้วหลวงปู่รับษาอยู่งั้นวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่วันที่สิบเก้ามิถุนายนที่จะถึงไม่กี่วันนี้หลวงปู่จึงอนุญาตนะอนุญาตของหลวงปู่แม้จะคำหมากรั ง, งเจสาที่แปรสภาพแล้วที่กําลังแปรตสภาพอยู่ลูกเอาออกประกาศได้เลยถึงที่เขามันหลวงปู่อยู่อยู่ไม่นานหรอกลูก อยู่ตามที่พวกกายที่พูดนั่นแหละนอก จ, จากว่าฝูงชนในช่วงนั้นมีผู้หลักผู้ใหญ่ถึงขั้นผู้ที่ครองประเทศนั่นแหละก็อาจจะสามารถที่จะยังอยู่ต่อไปได้อีกไม่กี่ปีนี่เราพูดตามคามตามที่ไหนเพราะถ้า กา้นี้พอที่จะอยู่เพื่อเราผู้ทรงสารได้ก็สมควรอยู่พระพุทธศาสนานั้นหาผู้ที่จะถึงมรรคผลพรนิพพานนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากคําได้จะว่าเอาก็พูดเอาเฉพาะตัวเองหรือคนอื่นก็ไม่มีหรือระดับหลวงปู่เนี่ยจะพูดเพื่อตัวเองมีหรือทําเพื่อตัวเองมีหรือผู้ไม่มีกิเลสทํากับผู้มีกิเลสทําหลวงปู่ไม่มีกิเลส แล้วผู้มีกิเลสทําลือผู้มีกิเลสสงฆาโลกกับผู้ที่ไม่มีกิเลสสงฆาโลกโลกอระดุกเอาพิจารณามันต่างกันในสมัยอุทธกาลพระเทวทัตผู้มีกิเลสขอพระเจ้าเพื่อปกครองสงฆ์พระเจ้าไม่ได้แม้แม้ภาษารีบุตรบุคคลาเราเรายังไม่ให้อยู่เห็นไหมนั่นแหละผู้ที่มีกิเลสที่จะสงฆาสงหาโลกกับผู้ที่ไม่มีกิเลสแตกต่างกันเราพระกระดิ่ขอให้ลูกพึณเข้าใจใครจะกล้าพูด ถ้าหลวงปู่ไม่พูดครูบาอาจารย์ก็ตําหนิตีเตียนเราตลอดว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้ว่าเราผิดทางผิดทำผิดวินยัยพาลูกพาเต้าให้เป็นร่างเจ้าเข้าจงพูดผีปีสัตว่าไปแล้วครูบาอาจารย์องค์นั้นถ้ายังไม่สินาา้นอาสาะนั่นแหละมหาเวจีนรกเปิดคอยรับพิญานาวนาลูกนะ่ะเขาหลวงปู่ไม่เป็น้าแบบนั้นหลวงปู่ไม่เป็นแบบนั้นเพื่อนตู่หลวงปู่เนี่ ตูต่เราเราไม่ได้เป็นพระแบบนั้นเราไม่เป็นพระจ้องหมังเวทเราไม่ได้เป็นพระที่ผิดธรรมผิดวินัยมาตู่เราตู่ผู้ที่ไม่ประทุษร้ายอตอตู่ผู้ที่ไม่มีความผิดเพื่อนไม่ผิดก็ประนามว่าเพื่อนผิดกรรมหนักนะลูกเต่าพี่อาวนี่เราพูดตามธรรมอย่างนั้นเราก็สงสารหมู่ปณะนะผู้ที่ไม่รู้อินุอินีเป็นไปตามกักูเขาบาเราจึงกล้าประกาศ้องอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ เอยังไงเราก็สู้เพื่อโลกพระสงสารสู้เพื่อพระุทธศาสนาก่อนที่หลวงปู่จะตายนี่ขอให้ลูเกเต้าพึงเข้าใจอย่างนั้นสิ่งต่างๆขององค์หลวงปู่จึงแปรบภาพอย่างรวดเร็วดังที่พวกเราเห็นนั่นแต่ผู้นับนับการเวลาแล้วถ้าพูดถึงตามทำตามวินัยจริงๆนี้ที่องค์หลวงตา ม, มหาบวัวเทศผู้นั้นต้องคลองบริสุทธิ์มานานถ้าพูดถึงตามทำตามวินยัยหนึ่ง ผู้นั้นต้องจิ้นอาสวะมานานสองผู้นั้นต้องอธิษฐานจิตสามเทวดาอธิษฐานด้วยแล่ลูกที่ลูกไนาะ่เราที่เป็นเทวดาไดลูกมากมายกายกายองกว่ามนุษย์ขนาดไหนประมาณไม่ได้ว่ากี่ล้านล้านล้านล้านเพราะประมาณไม่ได้แล้วที่อยู่ของเราต่างก็แจ้งสองท่านลืเสือนเรนพราะโลกธาตุวันไหวก็าทราบดีว่าลุงบุเป็นปั๊บประเภทไหนและสอนโลกเช่นไร ซาบีจึงพากันแช่สองสนละเสริญและทิฏฐานจิตกันทั่วหน้านั่นแหละสิงของต่างๆหลวงปู่จึงไปไปอย่างรวดเร็วแต่การบรรลุธรรมหลวงปู่ก็ยังไม่สินนส้นเขาบอกว่ายังไม่สิ้นนิสัยห้าปัญญานี้เรียกว่าสิ้นนิสัยจึงจะเป็นเอกเรียกว่าไม่ไม่อยู่อัคูกบาท่องเที่ยวไปไหนก็ได้โดยไม่ต้องขอนีส้สายแต่หลวงปู่บรรลุธรรมเพียงกลางปัญญาสี่ ยังไม่ได้อานิสงส์ปัญญาสีนั่นแหละเป็นจิตภาคกัมเดือนจิตเราก็สามารถถอดถอนกิเลสทําลายพ้อทาลายชาติลงอย่างทิ้นเชิงฮเห็นไหมน่ะลูกขาดหายนะเนี่ยอะไรเป็นหลักประกันนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างก็แปรสภาพนั่นอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นแหละเป็นหลักประกันให้พวกเราแน่ใจใจในองค์ลุงปู่ที่พวกเรากราบอย่างสุดหนุจิตหนุนใจอยู่แล้วก็ยิ่งสุดหนุจิตหนุใจขึ้นอีกว่าลุงปู่ไม่ได้สอนลูกเต้าผิดทาง นําปลาลูกเต้าเดินถูกต้องถูกทางาทตามธรรมดำวินัยที่สุดแต่ฤทธเดช ท, ที่ได้นั้นเป็นฤทธเดช ท, ที่หลวงปู่สร้างมาตั้งแต่ในอดีตที่เรียกว่าบุญญาฤทธ์เมื่อลองปู่ถึงที่สุดแห่งธรรมสิ้นอาสวะแล้วเขาก็ประดับประดาให้นี่มันผิดด้วยเหรือลูกในสมัยพุทธกาลก็เเช่นเดียวกันก็เป็นลักษณะนี้ตาชีตาสามมาฟังเทศฟังธรรมที่นัสวะห่อเหิรนเดินฟ้าได้ทรงฤทธทรงเดช ผู้ที่อยู่ในธรรมในวินัยมีศรัทธากล้าในธรรมในวินัยผู้นั้นต้องเป็นลักษณะแบบเดียวกันไม่มีผิดเพี้ยนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่พิ่เจรนาเราเราจะทราบจุดนั้นไอ้ี้ใครจะว่ายังไงก็ต่างก็ให้ลูกเต้าพึงแน่ใจตายใ จ, ใ จ, ใจสู้เราจะพาลูกเราสู้เพื่อพุทธศาสนาแต่ก่อนก็สู้เพื่อตัวเองก่อนนั้นเพราะลูกยังไม่สามารถทำลายอาจจวาให้สิน้นก็ต้องสู้เพื่อตัวเองก่อนแต่ให้อยู่ในกรอบ อยู่ในขอบคุณงามความดีอยู่ในธรรมในวินัยที่ต้องปู่ได้สอนพวกเรานั่นให้แน่ใจใจเลยวางภาระทั้งหมดเคยอยู่กับครูกับบาองคไหนมาก็วางภาระก่อนเอาก็อยู่กับครูกับบา อ, อันนั้นผิดเหรอที่เพจนสอนอย่างนั้นอย่างนีน้ก็ไม่ได้ผิดแต่ให้วางภาระก่อนโลกในปัจจุบันถ้าหลายครูหลายบามันจะเป็นเก้เก๊กลางกลงกล้าก้ากลักวกลัมั น, ก, นม ก, ก, มก็เรียนมากกลัมากเรียนมากมันก็เลยเป็นเก้เก๊กลางๆ มันไม่ได้รวมลงปัจจุบันที่เรียกว่าตัดสินใจศีลตัวนี้ก็คือตัดสินใจลงปัจจุบันสีนจึงจะสามารถสมบูรณ์บริบูรณ์ได้ถ้าลูกไม่ตัดสินใจลงปัจจุบันยังเก้เก๊กงกลางอยู่ลูกก็ไปไม่รอด น, นั่นไม่งั้นตัวสินตัวอย่างของลุงปู่ที่ลุงปู่ทฐานฉีดว้าไม่ส่งผลรวดเร็วขนาดนี้หรอกเพราะลุงปู่ก็ไม่คิดว่าจะอยู่กับพวกเรานานอยู่กี่ปีกี่ปีพวกเราก็ทราบดี นอกเทจากว่าพลังแห่งเราลูกศิษย์ลูกหาร่วมกับผู้ที่มียศถาบรรดาศักขอแล้วขอเล่าขอแล้วขอเร่าขอังเ ก, เกเวราในเหมือนโลกขัตถะหลงปู่ก็อาจจะยังกร่างกายสังขารอยู่ต่อไปเพื่อโลกเพื่อทรงฌารถ้าคิดว่าสมควรถ้าคิดว่าไม่สมควรสมควรแล้วที่ยุติก็คือจะยุติถึงขั้นนี้แล้วลูกเต่า ใครจะว่ายังไงใครจะประนานยังไงปล่อยให้เขาลงมหาเวทยินรกไปทั้งพระเถรเนรทีกุบาอาจารย์ผู้มีพรรษามากๆขอให้ลูกเต้าพึงแน่ใจตายใจนิลลุงปู่ว่าสิ่งที่ลูกเต้าเห็นนั้นคือสัจธรรมและที่ลุงปู่พาลูกเต้าไปนั้นก็ถูกต้องที่สุดนั้นตามรอยทำผู้เป็นพ่อทุ้งกต่ใช้คานี้ตามรอยทำพ่อ พ่อเดินป่าเดินเขามาทุกทรมทุกทรมานขนาดไหนทุกยากลําบากขนาดไหนเป็นสิบปีทางที่พวกเราไปนั่งรถเราก็ยั ง, ย, งยังว่าลําบากแต่หลวงปู่เดินกลางคืนที่ไม่มีไฟหลวลงปู่ไปเหยียบอะไรไปหอกลมที่ไหนไปอาละอาภาษที่ไหนไปชั้นที่ไหนที่ไหนหลวงปู่เขาชี้บอกพวกเราทัง้งหมดพวกเรานั่งรถไปก็ว่าเหนื่อยก็ว่าไกลอยู่หลวงปู่เดินอยู่อย่างนั้นเป็นสิบปีพีเจรณาดูดีกว่าที่จะมาเป็นกูเป็นบาปของลูกเต้าได้ แล้วเดินทำไมนี่ล่ะก็องหลวงปู่ชินอาสวะนานแล้วตั้งแต่เป็น1ิค่าข้ามเดือน1ิบปีพศ .2545 แล้วหลวงปู่เดินทำไมเดินเพื่อโปรดจัดโลกเมื่อสิ้นพศ .2545 เป็นเดือนสิบผ่านมาแล้วหลวงปู่ก็เดินเพื่อสงข้อโลกสงข้อวิญญาณสงข้อเทพบุตรเทวดา สงเคราะห์ญาติขององลุงปู่ที่อยู่ในบ้านนั้นหมู่บ้านนี้ตำบล น, นั้นอำเภอนี้ตามเจตนาที่ได้วางไว้ตั้งแต่ในอดีตชาติมันจะไปของมันเองโดยอัตโนมัติไม่มีการว่าจะไปน่นไม่มีการว่าจะไปนี่อัตโนมัติพร้อมเสร็จเพราะเชื้อสายแห่งกรรมหมุนเวียนเปลี่ยนไปยังเขาเรียกว่ายังลังยังดึงกันไว้อยู่หมุนเวียนเปลี่ยนไปหากันจนได้ไม่มีที่แยงนี่คือธรรมคือวิ น, นั ขอให้ลูกเต้าพืนเข้าใจอีกไม่กี่วันวันนี้แปดขาขึ้นแปดขาอีกไม่กี่วันก็เป็นวันวิสาขะเพนสิบห้าข้ามก็จะถึงแล้วเพนเดือนหกอีกเจ็ดวันแดวันที่หลุงกูพาพวกเราเบียนเทียนร่วมกันทั้งหลอกลูกทุกาทุกคนปีนี้ก็คงเหมือนเดิมอันนี้ขึ้นแปดขามแล้วนี่ก็แลมแปดขําก็จะถึงเอ้ย ขึ้นสิบห้าคก็จะถึงวันเพ็นสิบ้าค่ำวันวิสาขะเพ็นเดือนหก ท, ทุกปีลูกเตาก็จะมารวมกันปีนี้ก็จะเช่นเดียวกันแล้วก็ยิงไม่กี่วันปีที่แล้วเราเป็นการปลูกป่าปีนี้ไม่ได้ปลูกเพราะเราก็ทำแล้วในการปลูกป่าทำทุกวันก็ปลูกทุกวันอยู่คือวันนี้ก็ปลูกอยู่แต่การจะจัดงานอย่างนั้น ก็ยุติไปก่อนปีที่แล้วเราจัดงานนี้ก่อนแล้วก็ไม่กี่วันแล้วก็ถึงงานคล้ายวันเกิดตรงปู่ปีนี้เอางานเดียวก่อนคืองานคล้ายวันเกิดต้องปู่ใช่ก่อนพ่อคิดว่าเรารู้สิ่งทุกข้าทางนาครสวรรค์ก็จะมาเสริมกันขึ้นไปอีกถ้ามาไม่มากเราก็ไม่ลําบากแต่ถ้าเข้ามามากหลายคันนี้ผู้ที่อยู่ต้องลําบากนี่ขอให้ลูกเต่าพึงเกียมพร้อมแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมาหมดไหม แล้วก็มาหมดต่างไปก็ต่างอยากมาต่างไปเขาต่างอยากมามารถหลายคันอันนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมเพือคอยรับญาติท่านของพวกเราถือว่าเป็นญาติความเคารพความเทิดทูนเวลาเป็นสถาดตายกับองค์ลุงปู่ในช่วงที่คนกำลังหลังไหลขึ้นไปที่บ้านที่เขาลูกนั้นทิมบ้านเขาในช่วงปัญหาสองปีวันสองวันรอยสีสิบแปดพวกนี้ปิดบ้านเลยการงานไม่ทําดูแลลุงปู่ตลอดทั้งหมู่บ้าน บุญคุณตัวนี้ใหญ่หลวงนักแกละความเคารพเท่าทูลยังเสมอต้นเสมอปลายไม่เคยลืมเม้ระยะเวลาตั้งแต่ปี48จนถึงปีพศ2557ก็นานปีพอสมควรเขาไม่เคยลืมทอทุกอย่างยังเก็บรักษาไว้อย่างดีแม้แต่ชื่อเราก็ายังไปเขียนไว้ในรถเขียนไว้ในบ้านเพื่อกล่าเพื่อไหว้ดูที่พิจนาลิลูกเต่าพ อ, อไหลเพราะความเมตตาความบริสุทธิ์หลวงปู่ไง ผู้ที่สั่งสอนโลกผู้ที่ไม่มีกิเลสสั่งสอนโลกนี้มันความบริสุทธิ์มันจะเข้าไปหมดถึงเราจะดูด่าว่ากล่าวผู้อย่างดุนแรงแต่มันก็เป็นความบริสุทธิ์ที่ออกมาเพื่อโลกเพื่อสงสารขอให้ลูกเต้าพึงเข้าใจนะแล้วกิริยาท่าทางขององหลวงปู่ไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกของตัวเองว่ากิริยาท่าทางหลวงปู่อะทุจรายคนนั้นคนนี้ลูกพึงอยาคิดมันจะสร้างบาป่าผามขึ้นที่ใจของลูก ลูกจะไม่เป็นผู้บริสุทธิ์ต่อไปกิริยาของหลวงปู่นี่เป็นกิริยาที่สมบูรณ์แล้วถ้าหลวงปู่ไม่รุนแรงออกอย่างนี้ครูบาอาจารย์ก็บีบเราเราไม่ยุ่ใหม่ๆเราไม่เห็นผู้ใดเลยอยู่ได้ความ ส, มบสงบเงียบเตรียมตัวตลอดคิดว่าครูบาอาจารย์ตรงนั้นตรงนี้เราจะไปอยู่กับเปิ้ลไปกะไปไหว้ไปขอพึ่งปราศาายัยเพราะเราไม่มีญาติอยู่ที่นี่แต่ผลสุดท้ายก็ถูกเปิ้ลประทุษไล่เราเมื่อไม่สามารถมีครูมีบา มีหมูมีคณะได้จําเป็นต้องสู้แต่การสู้ก็ต้องมีแบบมีแผนต้องอาจต้องหานตรงโสสุดโ ส, ดสดเป็นโสใจจึงจะสามารถนำปลาหล่อลูกสิลุข้ายู่ได้ถ้าลุงผู่ไม่อาจไม่หาน ไ, ไม่รุนแรงอย่างนี้ลงุงผูกก็ไม่สามารถคุมลูกลงุงผูกได้สำนักนั้นสำนักนี้ก็เข้ามาพะทธศาลายทําลายเราถ้าเราแก่งลูกเราก็ต้องแก่งด้วยใครแตะเราได้ที่ไหนเอาพิจารณาดูที กองทัพเมื่อเมื่อกองทัพเลิ่และกองทัพแก่งแล้วศตุรศัตรูข้าศึกที่ไหนจะมาทําลายได้ที้วจะยกทัพไปตีเมือง น, นั้นเมือง น, นั้นก็หมอบราบคาบเหมือนเราขึ้นภาคเหนือสิบวันนั้นนั่นแหละเห็นผลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยถึงความพร้อมของเราลูกศิลูกหาที่เราตั้งไว้ว่าผู้นี้หน้าที่นั้นหน้าที่นี้สมบูรณ์บริบูรณ์จริงผู้ที่เห็นเราก็เกิดความเกรงกลัวขึ้นมาไปไหนมาไหนลูกศิษย์รพร้อมหมด นี่แหละเาเรียกว่าระเบียบวินัยหลวงปู่ก็พาพวกเราตามทำตามวินัยทําตามทําตามวินัยไม่ได้ทํานอกรูนอกทางนอกธรรมเราพี่ใครจะว่ายังไงก็ตามลูกเราคอยแน่ใจใจใจในผู้เป็นพ่อที่สอนลูกด้วยความเมตตาและสอนลูกด้วยสิ่งที่ถูกต้องดีงามสอนด้ยผู้ที่ไม่มีกิเลสสอนลูกที่ด้วยทำคิดดูว่าพ่อจะรักลูกขนาดไหนคิดดูว่าความบริสุทธิ์หลวงปู่ที่เข้าไปอยู่กับพวกเรามันจะขนาดไหน ผู้ที่มีกิเลสสอนก็เป็นอีกอย่างดูดาว่ากล่าวก็มีกิเลสดูดาว่าเก่าแต่นี้เป็นจริยาภายนอกของหลวงปู่ก็ต้องการให้ลูกรักกันสมัครสมานเป็นหนึ่งอันเดียวกันต้องการให้ลูกรู้จักคําว่าทำทำตัวนี้คือทำของกุฏิเจ้าที่สอนลูกสอนจงสารมาสองพันหาร้อยกว่าปีหลวงปู่ต้องการให้พวกเรารู้ทำรู้วินัยเป็นแบบอย่างที่ดีในใจของตัวเองก่อน เมื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในใจของตัวเองแล้วก็ประกาศฟ้องให้หมู่ให้พวกให้ลูกเต้าหลานเลี้ยนหลานจ้าแล้วก็นําไปพิบัติภัณฑลูกก็จะสามารถแจ้งแทงตลอดในธรรมในวินัยแม้แต่ยติฏกติกาของลูกก็จะสามารถแจ้งแทงตลอดในธรรมในวินัยไม่สงสัยว่าเท่านั้นเท่านี้วันเพราะเมื่อมีธรรมครองใจแล้วก็แจ้งทันทีธรรมตัวนั้นคืออะไร ถ้าจะพูดถึงก็คือพุทธะตัวรู้รู้ว่าเดี๋ยวนี้เราสว่างสวายแล้วรู้ว่าเดี๋ยวนี้บาปกุศลได้อันตรธานหายไปจากใจอย่างชี้เชิงแล้วเหลือแต่บุญเหลือแต่กุศลเหลือแต่ความสว่างสวยความมืดบอดได้อันตราธานหายไปจากใจแล้วสิ่งที่สอนตัวเองเดี๋ยวนี้สอนถูกต้องเพราะเป็นการฝึกฝนอบรมมโนสัยตัวเองตามธรรมดำวินยัยและการสอนลูกเต้าก็สอนถูกต้องเพราะได้จากธรรมจากวินยัย หลวงต้องการให้ลูกเป็นอย่างนั้นไม่ต้องการให้ลูกเป็นผู้ที่มีวิลักษณะที่บอกว่าเป็นคนหยี่เงา่าเป็นผู้เขาบบาปัญญาถ้าลูกกระตือหรือล้อลนเหมือนหลวงปู่ลูกก็ได้รับสิ่งที่ดีตอบสนองอย่างเดียวความชั่วช้าร้ายอกโจกเปียดที่มีมาตั้งแต่ในอดีตหรือในปัจจุบันก็อันตรฐานหายไปหมดเพราะสัจจะความจริงในธรรมในวิ น, นัยตั้งใจเพื่อจะบรรลุธรรมชั้นสูงให้ได้ ลูกก็จะสามารถถึงที่สุดแห่งธรรมในปัจจุบันโดยไม่ต้องสงสัย อ, อนบุทนา้วยนะสาธุ